ทุกวันนี้การภาวนานะโดยเฉพาะการที่เราฝึกมีสติในชีวิตประจำวันมากๆนีร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้ทั น, นเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติเวลาผ่านมาปีสองปีสามปีอะไรเนี่ยคนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นนับจำนวนไม่ถ้วนน ะ, นะเราเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมาได้จริงๆจิตใจเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อย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 ช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราหันมาดูจิตดูใจมากขึ้ น, นการดูจิตดูใจจริงๆก็เป็นแค่วิธีปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเท่านั้นแหะในหลายๆอย่างะจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้น ะ, จะเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นกระบวนการทำงานของกายของใจอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคนรุ่นของเราเนี่ยเรามาดูจิต ด, ดูใจแล้วมันเห็นผลเร็วนะ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 ถ้าจะดูกายก็ต้องฝึกจนกระทั่งมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไปดูกายมันจะไปเพ่งกายเวลารู right. ้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจนะเพ่งไปเรื่อยเลยถ้าเพ่งเบาๆนุ่มนวลนะก็เคลิมนะถ้าเพ่งแรงแรงก็เครียดอย่าไปดูท้องนะไปเพ่งท้องนะถ้าเพ่งเบาเบานะก็เคลิมเพ่งแรงแรงก็เครียดนีไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเพ่งเท้าเนี่ย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 แต่ละวันพวกเราทำงานที่ต้องคิดเนแสนสาหัสอยู่แล้วเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมทำงานด้วยความคิดนะบางคนไม่ได้ออกเรียวออกแรงอะไรแตคิดอย่างเดียวก็หาเงินได้แล้วทำมาหากินด้วยการคิดทั้งวันใจนม่คุ้นเคยที่จะคิดใจไม่คุ้นเคยที่จะสงบแล้วพอคิดทั้งวันเนี่ยมันหมดเรี่ยวหมดแรงพอตกค่านะไปนั่งภาวนาก็เคลิมเพราะมันหมดแรงแล้วมันต้องการพักผ่อน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 ถือว่าใจลอยอะไรนี้เราค่อยมีสติรู้ทันเราก็เรียนหนังสือได้ดีคอยมีสติรู้ทันจิตใจของเราเป็นระยะระยะไปะทํางานไปจําเป็นต้องคิดก็คิดไปแต่พอกิเลแสแทรกขึ้นมานะให้มีสติรู้ทันไปพอหมดเวลาทํางานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเราค่อยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเวลาจะกินข้าวนะเห็นความตะกระเกิดขึ้นในใจรู้ทันใจที่ตกะกระ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 นิสยหลักการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยจำไว้ง่ายๆนะมันต้องดูถูกต้องใน3การการกาล ะ, นะ ะ, ะกาละกอกไกส์ลาลลิงต้องดูถูกต้องในสาการซึ่งยากมากเหมือนกันนะที่เราจะดูให้ถูกทั้ง3การการที่หนึ่งหมายถึงก่อนจะดูก่อนจะดูเนี่ยอย่าไปดักไว้อย่าไปเฝ้าดูอย่าไปจ้องเอาไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะให้สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นกับจิตก่อนแล้วค่อยมีสติรู้ไป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 ไอ้ัวที่ไม่ยกดูไม่ออกนะหรือไม่ก็ขี้เกียจยกส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มกวานคานก่อนเห็นไหมเริ่มจะดูอะไรดีควานควานควานอย่างเงี้ยคนควา้าเจออันนี้แล้วว่าจ้อ ง, งอย่างเงี้ยจ้าใจก็จะนิ่งๆกลายเป็นเพ่งจิตไม่ใช่ดูจิตแล้วนั่นจะไม่เพ่งจิตนี่ะอันแรกเลยอย่าไปดักดูให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้กาละที่สองหรือลำดับที่สองคือขณะที่ดู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 มันชอบมีบอ่อน้ำกลมๆอ่ะนะเคยเคยเห็นไหมที่มีขอบปูนนะแล้วผู้ร้ายเนี่ยมันชอบจับเอานางเอกไปโยนลงบอนะ่ออย่าเงี้ยบางทีก็เอาคัมภีร์ไปโยนลงบอนะ่อคล้ายๆกันนะเวลาเราจะดูของที่อยู่ก้นบ่อเนี่ยเราชะโงกลงไปดูจนหัวทิ่มลงบ่อไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องดูอยู่ห่างๆดูอยู่ปากบอ่ออย่าถาลํมลงไปจนตกบอ่อพวกเราเวลาที่ดูจิต ด, ดูใจเนี่ยเราอยากดูให้ชัด ชะโงกลงไปชะโงกลงไปในที่สุดจิตมันถลํมลงไปเพ่งกลายเป็นเพ่งอีกแล้วเห็นอยากดูไปดักดูนะก็กลายเป็นการเพ่งพอกำลังดูอยู่อยากดูให้ชัดถลํมลงไปจ้องอีกนะก็กลายเป็นการเพ่ง<ม>นะกลายเป็นเพ่งทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนะึ่งก่อนจะรู้เนี่ยอย่าไปดักรู้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้มันโกรธขึ้นมาแล้วรวู้ว่าโกรธโลคขึ้นมาแล้วรวู้ ว, ว่าโลคใจลอยแล้วรวู้ว่าใจลอย สภาวะที่สองขณะที่เห็นสภาวะเกิดขึ้นขณะที่เห็นสภาวะเกิดขึ้นเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นดูอยู่ห่างๆอย่าถลําตามความโกรธไปอย่าไปจ้องใส่มันหลวงพ่อเคยทาผิดนะเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วเราจอ้องเราจ้างแล้วมันหดลงไปหดลึกๆลึกๆ ล, ล, ล, ล, ลงไปอยู่ข้างในนะเราก็ตามลงไปกะ ว, ว่าวันนี้จะตามถึงไหนถึงกันนะตามลงไปลึกลงไปกวานหามันใหญ่เลย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 อนนาจารณานันวัดมาศจำนะท่านก็สอนมาท่านบอกหลวงพ่อชาสอนมาว่าเวลาดูจิตเนี่ยให้ดูด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่หลวงพ่อชาสอนมาอย่างนี้นะหลักอันเดียวกันนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านภาวนาเก่งๆนี่ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยหลวงู TP ุดุนก็สอนอย่างเดียวกันนะองค์ไหนองค์ไหนก็สอนอย่างเดียวกันนะรู้ด้วยความเป็นกลางหลวงปู่เทศใช้สำนวนบอก pues รู้ด้วยความเป็นกลางนะหลวงพ่อชาบอกรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ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 คนไหนเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะก็วางมันซะก่อนนะแล้วมาหัดมีสติรู้กายรู้ใจดูกายทํางานดูใจทํางานลองดูไปอย่างซื่อๆดูไปซื่อๆนี่หลวงพ่อเตียนบอกดูซื่อๆก็คือดูเราไม่แทกแสงเหมือนกันนะดูซื่อๆดูสบายๆนี่ครูบาอาจารย์ทุกอง์สอนเหมือนกันแหละแต่สัมนวนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะพอเรารู้ซื่อ ๆ, ๆเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งปัญญาก็เกิดมีแต่อันิจจังทุกขังอนัตตานีมีแต่ทุกข์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 ถามเราไปเรื่อยเราส่งไปเรื่อยพอหมดที่เราปฏิบัติเท่านี้หรอไน้เท่านี้หร อ, เ, เ, หร อ, อเสียดายยังยังน้อยไปหน่อยครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์นะเวลาไปหาท่านบางทีท่านเชียบคือท่านรุนมากเลยองค์สุดท้ายพรรษาแรกหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะไปกลับออกพรรษาแล้วไปกลับหลวงปู่สวัสดิ์ส่งกันบ้านท่านไปกลับท่านบอกหลวงปู่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 คนในที่ทำงานก็จะตามมาดีกว่าโฆษณาอีกนะดีกว่าโฆษณาเปลา่ปลาๆมาปฏิบัติทรามดีอย่างนั้นธรรมะดีอย่างนี้เนะข้าฟังแล้วเขาไม่เชื่อหรอกเขาให้คนที่ประกาศก็เชื่อไม่ได้งันะ้เราเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนะคุณตาฝึกฝนตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกคนอื่นเข้ามาเองนะฝึกตัวเองไหมนะชิญถามการนัดสการครับหลวงพ่อ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 จิตมีกิเลสแล้วมันจะชัดเข้าไปได้อย่างไรแต่ไม่แน่ใจว่าบางครั้งว่ามันรู้จริงๆหรือว่ามันคิดไปเองครับมันรู้บ้างคิดบ้างเพ่งบ้างนะยังมีทั้งสามอย่างถ้าเมื่อไหร่รู้เนี่ยใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานจะสบายปล่งเบาถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้นะใจก็หนักก็แน่นก็ซึมก็ทื่อถ้าไปคิดอยู่นะใจก็ฟุ้งซ่านนะไปสังเกตใจเอานะครับขอบคุณครับเนี่ยใจหลงไปรู้สึกไหม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 แต่ที่เราฝึกนะจิตใจเราสงบสุขมีสติตามรู้กายรู้ใจไปได้วยถึงพักน้อยก็เหมือนพักมากนะหลวงพ่อเจ้าค้าแต่ว่าเวลารูกตามรู้สึกไหมตอนหลวงพ่อเจ้าค้าเน <c oughs> น้อมใจให้อ่อนๆให้ดูดี <c oughs> ให้รู้ทันมัน <c oughs> นะคือเวลาโยมจะดูอารมณ์เนะคะเวลาอารมณ์โกรธโทสะค่ะหลวงพ่อพอเรารู้ว่าเรามีโทสะเนี่ยมันทะะําไมไม่ขาดปุ๊บอะไรเงี้ยนะใช่ไม่เป็นกลาง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 คือคือหมายถึงเราจะตามลมหายใจว่ารู้สึกว่ามีลมผ่านเข้าออกทางรูจมูก่างนี้จะ้จจะ เ, เราจะพ้พะนราคะเราจะพ้นความยุ่งยาเลยนะเพ่งอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่ทํายาก <Okay. S 3> เป็นกรรมฐานที่ละเอียดมากเลยเรารู้ลมสักพักหนึ่งเนี้ยสติเราอ่อนนะ <Okay. S 3> จิตมันจะไหลไปเกาะแล้วไปเพลินที่ลมถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดีไม่เหมือนกันนะหายใจแล้วเคลิอม กัหายใจเราเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูไม่เหมือนกันกับสมัชฌังพยายามให้มีสติเรามีสติจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอเชิญกาบสมัชฌางหลวงพ่อครับก็ฟังสิดีหลวงพ่อมานานพอสมควรนะครับก็ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับเริ่มเห็นกิเลสแล้วนะใช้ได้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 พุโทโธพุทโธก็ได้พุโทโธก็คือคําสวดมนต์เห ม, มือนกันแต่สวดสั้นหน่อยสวดพุดโทโธพุโทโธในชีวิตประจำวันเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตแอบไปคิดในี่ตอนนี้จิตหนีไปคิดละใช่ค่ะแล้วก็ใครรู้ไปเรืยถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะจิตนี้หนีไปคิดได้เองนะจิตไม่ใช่เราหรอกเนตอนเนี้ยจิตสงสยัยทราบไหมเห็น<ช>ไหมมันสงสัยขึ้นมาได้เองคะเ น, นี่ยดูไปอย่างนี้แหละอืม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 เมื่อกี้พอนั่งฟุบก็น้อมจิตเข้าไปข้างในไม่ใช่นั่งน้อมจิตแต่นั่งรู้ทันจิตไปเปลี่ยนตรงนี้ซะหนูก็ลองฝึกแบบลืมตาดูค่ะเมือ่อวันสองวันนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นน <ะ S 1> ักไปฝึกอย่างนั้นแหละฝึกให้มันรู้สึกตัวนะไม่ใช่ฝึกให้ขาดสติไม่งั้นพอออกจากสมาธิโมหะมันติดออกมาด้วยเมื่อกี้รู้สึกหมโมหะมันติดออกมาด้วยไม่ดีอ่ะคนต่อไป กราบนมัสการค่ะดิฉันฟังซีดีของของของพระคุณเจ้ามาประมาณปีหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามาดูดูกายดูจิตแล้วก็ก่อนนอนก็สวดมนต์บ้างแล้วก็เดินจงกรมบ้านนึคะโยมดูออกไหมจิตเราเบาขึ้ น, นดูออกคะนะจิตที่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็ ง, ขงอย่างต่กอดนนะันเป็นจิตที่บังคับจิตที่เพ่งไม่เดียว จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบามันจะอ่อนโยนนุ่มนวลม่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นนะดัง <c oughs> นั้นโยมคอยรู้สึกไปคอยฝึกของเราไปด้วย แ, <c oughs> แล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ของโยมโทสะมันจะเกิดง่ายนะไปดูตัวเนี้เกิดง่ายดูง่ายดูออกไหม <c oughs> เป็นคนขี้โมโหนั่นแหละภาวนาไปคนที่โมโหนะบุญนะเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดเลย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 ปฏิบัติในระหว่างทำงานเจ้าค่ะหรอยังรู้สึกว่ายังมีการภาคแล้วก็มีปัญญาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้นะพากอ ะ, ะปัญญานำหรือคิดนำคิดด้วยเจ้าค่ะถ้าคิดนำไม่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาถึงใช้ได้ปัญญาที่จะเกิดจากการคิดเนี่ย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 หนูเพิ่งฝึกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีความจงใจแล้วก็ภาคเป็นประจำอะคะท่าไม่ได้บางทีพอภาค เ, เกิดเหตุไหมพอมันภาคแล้วใจเราไม่ชอบอะค่ะ<า>นะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบหมามั้งใจไม่เป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเช่น<า>จิตมันอยากภาคจิตมันภาคของมันเองไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา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 ต้องสู้ค่ะแสดงว่าหนูขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าคะํานองนั้นนะ <es> <g iveness> ก็คือต้องแบบต้องทำกรรมฐานแบบนั่งสมาธิทุกวนัน <uition> อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าทำบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าทํานานแล้วก็เคลิมที่สําคัญก็คือพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้มากมากจรนะิงแต่วันหนึ่ง อ, อาไหว้พระสวดมนต์สักครั้งหนึง่งแล้วก็เห็นใจไหลแฉลบซ้ายแฉลาดขวาไปคอยรู้ทันมันเป็นการซ้อมที่จะรู้ทันจิตนั่นแหละ เรารู้ทานจิตได้ชํานาญซ้อมบ่อยๆเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้สติมันก็จะเกิดบ่อยนะข อ, ขอบพระคุณค่ะไม่เร็วหรอกนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นมัสการหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากขอกันบ้านที่เหมาะกับตัวหนูอะค่ะเราเป็นคนฟุง้งซ่านนะให้ให้นึกบริกรรมอะไรไว้สัปดานหนึ่งก็ได้หรือจะหายใจก็ได้นะหรือจะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้ รู้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปคือทำกรรมฐานมาชั่งใหญ่ตอนนี้ความสงสัยผุดขึ้นซ้ำไหมเมื่อกี้เนี่ยใจมันสงสัยเห็นร่างกายที่สายหน้าไหมเมื่อกี้สายหน้ารู้สึกไหมรู้สึกค่ะแต่อันนี้ก็เป็นอันที่ไม่แน่ใจเพราะเคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วบอกว่ามีคนถามเขาบอกเขากินข้าวเขาก็รู้ว่าเขากินข้าวหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นไม่เรียกว่ารู้เอยกินข้าวแล้วก็รู้ว่ากินข้าวใครๆมันก็รู้ <c oughs> ไม่ต้องภาวนาก็รู้ใช่ไหม แต่ถ้ากินข้าวแล้วเห็นร่างกายมันกินข้าวใจเราเป็นแค่คนดูนะเหมือนเห็นคนอื่นกินข้าวเหมือนเห็นหมาเห็นแมวกินข้าวอย่างนัใจเราอยู่ต่างหากไม่ใช่เรากินข้าวนะเห็นร่างกายมันกินข้าวไม่ใช่เห็นเรากินข้าวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนการเห็นกายแบบนั้นต้องต้องเป็นคนที่ทําสมาธิมาก่อนหรือเปล่าคะถ้ามีสมาธิถึงจะเห็นชัดของคุณมันคิดมากดูจิตไปดูความรู้สึกของตัวเองไป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 มาส ก, การค่ะหลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาแป๊บหนึ่งนะขอเวลานอกคนที่ส่งการบ้านเสร็จไปรู้สึกไหมไปทำอะไรอยู่เอไม่ใช่สิคนละคนไปชี้เอาคนทั้งหลังเขาลนะเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่คนคนข้างหลังนั่นแหละเออใจลอยอา้าค่ะกจะ็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกที่นานๆก็จะทุกสั้นลงแต่อย่าน้ําใจให้นิ่งนะ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 กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนบอกยังกินจิสมูทะยะธรรมมังนะสัพพันตังนิโรธธรรมมนติท่า น, นบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดนะั่นแหละมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคือคําว่าซัมติงซัมติงไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะนั้นภาวนาจนถึงขั้นที่เห็นสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีสมมุติบัญญัติมันไม่รู้ว่าคืออะไรแล้แค่นั้นพอไหมแค่นั้นแหละดีแล้ว หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะว่าในหลวงนะท่านถามผู้บาอจารย์มัดป่าบอกว่าท่านรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนะี่ยท่านรู้หรือไม่รู้ะหลวงพ่อพุทธก็ทูลในหลวงบอกว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะั่นแหละยอดของการรู้เลยรู้แล้วไม่เจือบัญญัติลงไปส่วนพวกเรารู้ปุ๊บภาคปับ๊บรู้สึกไหมอา้าวต่อไปอกราบธรรมสกานเจ้าค่ะหลวงพ่อ คือหนูเพิ่งมาฟังซีดีคือก่อนหน้านี้เคยฟังฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลิกฟังไปแล้วพตอนหลังนี่คือมันมาเจอกับทุกข์หนักๆในชีวิต <ừ. S 1> ก็เลยประมาณว่าพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วได้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่ง <ừ. S 1> ก็รู้เรื่องมากขึ้น <ừ. S 1> ก็แปลกใจตัวเองว่าเอ๊ะมันก็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 ภาพกเปลี่ยนนะอดทนไปจ้าค่ะด้วย<ล>ความทุกข์นั่นแหละเป็นกำไรชีวิตแล้วเจ้าค่ะทีนี้มีอีกนิดนึงที่อยากจะถามคือช่วงที่เจอกับความทุกข์หนักเพิ่งผ่านมินานแล้วมันเกิดสภาวะซึ่งแบบว่าเห็นก้อนแน่นมากในอกขึ้นมาเป็นลูกก้อนแล้วทีนี้มันก็อัดขึ้นมาถึง<น>ถึงหัวใจขึ้นมาลิ้นปีกยันมาจนเรามีความรู้สึกว่าเราจะตายตรงนั้นแล้วมันก็แปลกคือคือไม่รู้ว่าตัวเองหลงหรืออะไรคือตอนนั้นเหมือนคนขาดสติที่เราไม่แน่ใจคือแบบความรู้สึกทุกอย่างหายไปหมด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 ยมฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบสองปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นอะไรเยอะๆเลยแต่ไม่ไแน่ใจว่าเห็นเห็นจริงหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเวลาเห็นนะเห็นห่างๆนะดูสบายๆดูไปอย่างสบายๆใจตอนนี้ไม่ค่อยสบายดูออกไหมมันอ่ดอัดตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมค่ ะ, นะคะ ใจมันหลงไปแล้วก็ค่อยรู้สึกของคุณรู้ร่างกายไว้ด้วยนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายไปพอจิตใจมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันว่าหลงไปแล้วะนะ ก, กระดุกดิกไว้นะเราจะดีอ๋อมันนิ่งไปเหรอคะนิ่งไ ป, <น>ไปเคลื่อนไหวไว้ไม่งั้นคุณจะหมกมุ่นในการดูจิตมากไป อ, อ๋อเวาลานั่งเฉยๆเห็นมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างนี้เสร็จหมกมุ่นใช่ไหมคะไปไปเห็นจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือเปล่าหรือไง หเห็นวูบวาบอยู่ข้างในตลอดเดี๋ยววูบเดี๋ยววาบอะไรเราถลําลงไปจ้องมันอ๋ออันนี้คือถลํมมันถลําลงไปอย่างเงี้ยดูไม่ให้คลาดสายตานะใจมันหมกมุ่นในการภาวนามากไปออกมารู้กายบ้างเคยครั้งหนึ่งเห็นความคิดผ่านหน้าไปแล้วเราเคยครั้งหนึ่งกำลังทำงานอยู่แล้วกลโกรธขึ้นมาเออนี่ยไหเห็ น, น, น, นมันกระจายออกมาหมเลยแต่ไม่ทราบว่าอะไรกระอะไรนะเห็นอะไรนะเห็น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 ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นได้บุญเยอะนะเห็นได้แวบนั่นแหละแล้วก็เห็นเคยเห็นความเครียดมันกระเด็นไปเออนั่นแหละความกังวลมันแก่งอยู่ข้างในแต่เวลาดูอย่าให้ใจเข้าไปครุกวงในดูห่างหานิดนึ่งมันไกลเกินใช่ไมมันครุกวงในมากไปอ๋อแต่ต่อไปมีอีกไหมอ๋อเลยอีกห้าคนมาสู้ตายกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ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 อย่างนี้จะสบายอย่างเดียวตัวจริงขี้โมโหนะไปเอาตัวจริงแท้ๆออกมาโมโหพุทธพุทพุทโมโหนะให้รู้บ่อยๆก็คือตอนนี้พอใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อใช้ได้แต่มันไปกดไว้เลยขอบคุณค่ะถ้าตัวจริงมันโผล่ขึ้นมามันจะขี้โมโหนวัตการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นมากก็เหนื่อยเลกที่จะพูดเพื่อแต่ว่าคือที่ผ่านมาที่หลวงพ่อ ดูว่าเคยมีโมหะแล้วก็มีเรื่องของการประคองนะคะช่วงหลังๆก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนมันจะมีช่วงที่เราเปลี่ยนไปนะภาวนาถูกแล้วไปทําอีกก็คือภาวนาเหมือนกับความเพียรอยู่กับสมาธิทําอย่างนี้แหละดูไปช่วงนี้ดูอยู่กับลมหายใจไม่ค่อยได้ยินเนาะช่วงนี้หนูอยู่กับลมหายใจนะคะไม่ทราบว่ามันมีหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจไหมเห็นค่ะเห็นอะไรใช้ได้ใจถึงตั้งมั่นขึ้นมาค่ะนะทำถูกต้องแล้วหายใจไปแล้วใจเป็นคนดู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 พอรู้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มง่วงเหน่อนก็เลยลืมตาลืมตาซะของคุณพอไปรู้ลมนะใจ ม, มันสงบลงมาแล้วมันจะหลับเอาค่ะควรจะไปเดินจงกรมกระด<ช>ุกดิกไว้ดีกว่ า, วานะถ้าไม่ไม่มีที่เดินเดินไม่ถนัดก็นั่งขยับไม้ขยับมือไปเคลื่อนไหวอะอย่าให้อยู่นิ่งค่ ะ, ะต่อไปขอบพระคุณค่ะกลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อ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 มันก็นจะกดถ้า เ, <อ>เรากดเรากดไม่ดีนะถ้ามันเคยคชินที่จะกดแล้วมันกดเนี่ยไม่เป็นไรแค่รู้ทันค่ะก็ไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติอะค่ะถูก ถ, ถูก <ทำ S 1> ต้องไหมเขาทำอีกน ะ, ะยังไม่พออยากให้ให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะอะค่ะตอนนี้ ใ, ใจลอยตอนที่บอกให้หลวงพ่อพาดูสภาวะใจไหลวิคิตดูออกไหมค่ะเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเมื่อกี้เห็นค่ะเห็นร่างกายพยักหน้าก็แค่รู้สึกนะ ใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมแค่ะเนี่รู้ไปอย่างนี้นะดูกายไว้แล้วก็มันจะเห็นจิตชัด <G ül üyor> อย่าทิ้งกายนะของคุณ <G ül üyor> ค่เพราะจิตมันไม่ค่อยมีแรงถ้าไปดูจิตเลยเดี๋ยวจะหลงไปนาน <G ül üyor> อาจารหลวงพ่อพระแล้วอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิไหมคะถ้านั่งก็นั่งรู้สึกตัวอย่านั่งเอาเคลิมนะของคุณมันพอใจจะเคลิ้มง่ายหรอกกล <G ül üyor> ่าวขอบคุณค่ะหมดยัง อาวคนนี้ตรวจไปแล้วเมื่อกี้นี้นึกได้เอาว่าไปกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเคยฟังซีดีอยู่เจ้าค่ะโยมมีอาชีพพ้าขายแล้วกลับบ้านก็ต้องดูแลลูก อ, อันนี้โยมอยากจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจำวันดูใจของเราไปเลยน ะ, ะอย่างเราค้าขายอยู่วันนี้ไม่มีลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สบายใจเห็นลูกค้ามาเราพอใจเห็นลูกค้าคนนี้หน้าตากวนมากเลย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 ก็ขออนุญาตทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายอของทีท่ปัจจัยที่ญาติโยมได้นำมานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายา เ, าเครื่องปัจจัยและธยธรรมรกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่พระอาจารย์ประโมท ปาโมโ ช, มโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับรรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุแขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวรตราบสิ้นกาลละนานเทินสาธุยถาวาริวหาปุราภิริปุเรนตีสาคาังเอวเมวะอิตดินนางเปตานังอุปกัะปติ อิชิตังปจิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตูสังคปาจันโดพนารโสยถามณีโชธิราโสยถาสัพพีติโยวิวัติฉันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่คาายุปภวะอภิวาฒนาศีลิสนิจจังมุทาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขขัง พลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะมีงานที่อื่น